วัดไอของหลวงพ่อรู้สึกดีขึ้นมากเดี๋ยวก็จะถามว่าหลวงพ่อถูกกับยาอะไรหลวงพ่อฉันทั้งยาฝรั่งทั้งยาจีนยาไทยหลายขนาดแต่มา่ถูกมาถูกก็ฟ้าทลายโจรเออฟ้าทลายโจรอย่าลืมเนอะเป็นยาเออเป็นไอเป็นวัดเก็บคอเนี่ย เอามาเคี้ยวรือใบมันถึงจะขมกันนะก็อดเคี้ยวเคี้ยวกั้นใจกลืนมันงั้นเถ อ, อะเนี่หลวงพ่อฉันมาเกือบเป็นเดือน ก, กว่าไนะเมื่อวานเองโยมเขาบอกว่าหลวงพ่อไปทดลองฟ้าทลายโจรดูออื mm. ใช่เอาสดๆนะหลวงพ่อนะว่างั้นแต่ขมแล้วงั้นเออเอาสักสาใบอย่างงั้นหลวงพ่อก็เลยเนี่ยก่อนขึ้นรถนั่งรถไปบินทบาทมานเมื่อวานเอง เลยเคียเค้ยวเกี้ยวเคี้ยวเลยโอ้ไม่อยากจะพูดกับใครเลยมันขมปักมันขมจริงๆเิงว่างั้นเอะพอเกี้ยวไปกลับมารู้สึกว่าเสล็่ที่อยู่ลึกๆนะที่เป็นเสล็่ยลึกๆนะมันแห้งเลยว่างั้นเถอะแล้วก็คอก็รู้สึกว่าแห้งเออถูกแล้วเน่ๆวะไม่ต้องถามนานเลยเออถูกแล้วเรื่องรู้เลยว่างั้นเถอะทั้งที่กินยาอย่างอื่นมาโอ้ย เช้าเนี่ยก็เลยขนออกมาบึงถึงทึกว่างันเถอะไปเอาไปพระว่ะยามันไม่ถูกกับเราหรอกยากวดลหลายร้อยก็มีที่เอามาให้ฉันแต่ผลที่สุดถูกกับฟ้าทลายโจรมันเป็นพ่อหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับยารักษากิเลสกันมั้งหลวงพ่อบอกว่าทางว่าตามกิเลส ต, ตามใจชอบเนี่ย โดยมากมันจะไปทางไม่ถูกกับโรคคนที่เป็นโรคชอบกินของแสลงกินของที่ตัเองชอบมันจะไม่ได้ผลคนที่ป่วยต้องกินยาซิมันแสลงตัวเองต้องฝืนต้องฝืนใจสู้ต้องฝืนใจคิ ด, ดอยากพูดอยากพูดไม่พูด อยากจะทำไม่ทำอยากจะคิดไม่คิดอันนี้แปลว่าฝืนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าว่าสิ่งไหนที่ถูกต้องไม่อยากทำบังคับให้ทำบังคับให้พูดบังคับให้คิดอย่างพระคิดบริกรรมพุโทโธพุโทโธเนี่ยบังคับให้มันอยู่ อันนี้เป็นว่าในทางที่ถูกต้องจะเป็นทางโลกกเหมือนกันขี้เกียจอ่านหนังสือขี้เกียจไปทำงานขี้เกียจทำหน้าที่การงานมันเหนื่อยมันหิวมันกระหายพอจะไปได้ บ, บังคับเพราะสิ่งนี้มันถูกต้องถ้าเราไม่ทำไม่ดีไม่ถูกต้องนะเป็นที่ตำหนินะต้องบังคับอยากจะไปเที่ยวไปเตร ไ, ไปเล่น ไปสนุกสนานเพิดเพลินเฮฮากินเหล้าเมายาอยากจะไปเย่เล็กห้ามลเลาะไปไม่ได้ทาไปขืนไปไปในี่เสียการเสียงานผู้ใหญ่ตำหนิเราได้เย่ เ, เลรกนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกับเราเป็นไข่ยอย่างนีนะ้เราจะจะไปกินแต่ของห ว, วานหวานของผัดของทอด อร่อยอร่อยน <c oughs> เนี่ยกระทิเนี่ยมันจะได้แล้วมันคงจะไม่ได้มันต้องกินของขมอย่างที่ว่านฟ้าทลายโจรอย่างเนี้อพอกินฟ้าทลายโจรเข้าไปที่นี่น่ยได้ผลว่างั้นะแต่ผลนั้นผู้ใดก็ตามนะถ้าเป็นเป็นบัตรเป็นไอ้ฟ้าทลายโจรจะมองข้ามถ้ากินอย่างอื่นไม่ไม่หายแล้วว่างั้นแตะ ถ้ากินอย่างอื่นไม่หายแล้วทดลองดูฝืนดูงั้นะแต่ว่าฝืนนะเอฟ้าทะลายโจนี่ฝืนนะขมจริงๆขมแบบไม่ชุ่มคออีต่างหะแต่ขมอย่างอื่นพอพดกลืนเข้าไปแล้วสักพักหนึ่งมันจะชุ่มคอหวานหวานแต่ฟ้าทะลายโจนนี่แบบกลืนเข้าไปแล้วก็ยังขมนานเท่าไหร่ก็ยังขมอยู่ติดคออยู่งั้นน่ะ จะว่าขมไม่อร่อยว่างั้นขมฟ้าทะลายโจรแต่มันก็เป็นยาอย่างที่ว่านั่นหวานเป็นลมขมเป็นยาโบราณท่านว่าเพราะนั้นสิ่งไหนก็ตามทางวาเราอยากจะทําำก็ต้องฝืนอยากจะกินของดีๆอยากกินกินของอร่อยแต่เราเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไอเราก็ต้องห้ามอันนี้นมีครูบาใหม่ห้ารูปมาเมื่อ สองสามวันที่ผ่านมาทางพิพากษาอุรานของเราเนี่จังหวัดพิพากษาจังหวัดอุรานหัวหน้าพร้อมกับคณะบวชพระบวชพระนวกะเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลในหลวงครองราชแปดสิบปีที่จะถึงห้าทันวาที่จะถึงเนี่ย เนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่ย1สบอพฤศจิกาห้าศนอีกไม่กี่วันก็ถึงวันวันเกิดของในหลวงละ ว, วันที่ห้าธันวาเพราะนั้นประสบในกรทุกหมู่ทุกเหล่าได้ร่วมใจกันถวายพระกุศลในหลวงให้กุศลในหลวงของเราเป็นร่มโพ ร, ร่มไทรอยู่นานเท่านานถ้าว่าในหลวงของเรา อัจจุบวนจะไม่สบายอย่างนี้น้าวิตกกังวลอย่างมากเมืองไทยของเราเยุคนี้สมัยนี้ว่างั้นเพราะฉนั้นในหลวงนะโอ้เป็นล้มโพล้มไสของพวกเราจริงๆประสงฆนิกาทั้งหลายได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดอยู่ที่ไหนก็ตามควรจะทุกทําคุณงามความดีเพื่อถวายในหลวงอย่าไปทํา ในสิ่งที่มันไม่ดีทำเข้าไปแล้วก็เดือดร้อนตัวเองเป็นดันแรกจากนั้นก็เดือดร้อนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนคนในชาติผลที่สุดคนชั่วก็เลยไปเต็มอยู่ในคุกในตารางาได้ยินขึ้นมาเมื่ อ, อไรก็ไม่เป็นที่จเจริญใจไม่เป็นที่เจริญใจไม่เป็นที่สบาย อ, อกสบายใจของคนในชาติ ประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนา90กว่าเปอร์เซ็นต์คนติดคุกมากที่สุดในโลกเป็นที่พอใจแล้วหรอไม่เป็นที่พอใจไม่สบายอกไม่สบายใจสําหรับพวกเราที่เป็นคนในชาติเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทําทําแต่สิ่งที่ดีเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลในหลวงของราชท่านมี แต่ความคิดมีแต่แนวความคิดสร้างสารรค์ทั้งนั้นไม่รู้คิดเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรมากมายมหาศาลถ้าจะว่าไปแล้วในหลวงของเราเนี่ท่านเป็นเป็นพ่ อ, เ, อเป็นพ่อของประเทศเป็นพ่อของชาติทุกสิ่งทุกอย่างแผนที่ในประเทศไทยแม่น้ำสายไหนห้วยน้องคลองบึงบางที่ไหน ที่จะทำเขื่อนที่ไหนประสบนิกรกลุ่มไหนอยู่ที่ไหนในความได้รับความเดือดร้อนอย่างไรแต่ละกลุ่มแต่ละท้องถิน่นในหลวงจะรู้ทั้งหมดทำไมหลวงพ่อก็ทราบมาหลวงพ่อก็เคยถามมีความสงสัยอย่างนั้นทำไมทำไมในหลวงจึงรู้ขนาดนั้นทำไมจึงรู้ทั้งหมด พอดูแผนที่ขึ้นมาท่านรู้จุดนี้เป็นอย่างนั้นจุดนั้นเป็นย่งนั้นนะเพราะเหตุไรเพราะในหลวงตั้งแต่เป็นหนุ่มตั้งแต่ท่านสนใจพัฒนาประเทศชาติเรานึกดูว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานอธิบดีทุกอธิบดีทั้งปมป่าไม้ทั้งชนประธานทั้งที่ดินทั้งอะไรกี่ยุคแล้วแต่ละยุคนี่ก็หาข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเพื่อเข้าไป เสนอต่อองค์ท่านกรมที่ดินอย่างนี้กว่าที่ดินอย่างนั้นเป็นอย่างงั้นที่ดินตรงนั้นเปรี้ยวที่ดินตรงนั้นเคมที่ดินตรงนั้นมีปัญหาอยู่งั้นอย่างนี้ที่ดินเขาก็หาข้อมูลถวายในหลวงปอมาอีกปีสองปีอธิบดีท่านนั้นก็กเกษียณแล้วคนอื่นเข้ามาอีกกกรมชนประธานก็เหมือนกันกรมป่าไม้ก็เหมือนกันแต่ะละหน่วยแต่ละเหล่าเพราะนั้นในหลวงเป็นผู้เป็นคลังเลยจ้ะเนี่ยเก็บ ทุกอย่างข้อมูลภายในประเทศว่าจุดไหนเป็นอย่างไรเพราะนั้นในหลวงพูดออกมาในพวกเราสะอึกทุกทีแล้วในหลวงทำไมรู้เพราะว่าในหลวงได้รับข้อมูลจากท่านเหล่านั้นไว้ในพระองค์หมดแล้วแล้วก็พร้อมอยู่ในตำรับตำราของท่านอีกท่านก็เป็นผู้ใส่ใจสนใจในพระองค์ในตัวพระองค์เองก็เป็นผู้ใส่ใจสนใจในประศกนิกรผูกมิประเทศของ ของพระ อ, องค์อีกแล้วเพราะนั้นพระ อ, องค์จะพัฒนาสิ่งไหนออกไปหรือจะพูดสิ่งไหนออกไปกล่าวสิ่งไหนออกไปจึงเป็นที่ยอมรับของคนในชาติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้ทีแรกก็ถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาเคี่ยวกันไปเคี่ยวกันมาผลที่สุดก็บางคนก็ว่าหาว่าในหลวงในถอยหลังเข้าคลอง ให้เหมือนกับอยู่แบบคนโบรับโบรัมโบราณหากินเป็นวันวันไปใ ห, ให้พอเพียงก็หยุดแหละไม่กระตือรือร้นไม่สะแสวงหาทรัพย์อันนั้นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องในเมื่อเราอยู่ในโลกในยุคไหนสมัยไหนเราต้องทําให้ทันโลกในยุคนั้นสมัยนั้นอย่าให้เกินไปอย่าให้เป็นนี่เป็นศิลปพลุงพลังในการเป็นอยู่ของเราต้องรู้จักหา ให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้นี่แหละคาว่าพอเพียงถ้า ข, ขี้เกียจหาแต่ใช้เก่งเนะี่ยแสดงว่าไม่พอเพียงแล้วไม่รู้จักเก็บได้มาใช้ใรูดช่วแชร์เวลาจำเป็นมีความจ ะ, จะต้องไดใช้เจ็บไข้ไดป่วยมีความจำเป็นก็หาเงินที่จะใช้ไม่ได้ผลที่สุดก็ไปไปยักไปยอกไปเบียดไปบังไปคดไปโกง ไปคอรับชั่นขึ้นมาพมไม่รู้จักเก็บแล้วจะพอเพียงได้ยังไงพนั้นทั้งสามอย่างให้รู้จักหาหากำมันขยันในการหาในทางที่ถูกต้องสิ่งไหนที่เป็นเงินต้องหาอย่างเป็นราชการก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเหยียบขี้ไก่ไม่แตกอย่างนั้นไม่ใช่เป็นราชการเนี่ยไปหาขายปลาทั้งโกลก็ได้ ขายกาแฟาก็ได้ขายก๋วยเตี๋ยก็ได้สิ่งไหนที่เป็นเงินอี่ที่ทที่สุดจริตทำให้มันถูกต้องดีทั้งนั้นอ่ะเ่เวลาเราไปจ่ายเงินเขาไม่ได้ถามหรอกฮอันนี้คุณไปดูดช่วงเข้ามาจะไปเงินนะเนี่ยเขาไม่ได้ถามเป็นเงินมีคุณค่าทั้งหมดในการหมั่นขยันของเราเป็นประโยชน์ทั้งหมดอวมสัมพันธให้เราให้รู้จัก่า อย่าไปคดไปโกงไปพ่นไปขี้ไปเบียดไปบงังไปคอรับชันเข้ามาอันนั้นไม่ถูกต้องอันนั้นจัดว่าเป็นความโลภทำให้ประเทศชาติเดือดร้อนถ้าว่าเราหมั่นขยนันยังไงว่าทาหากินด้วยสุดจริตธรรมถูกต้องเป็นธรรมถึงจะได้มากขนาดไหนนะเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่จัดว่าเป็นความโลภเพราะเหตุหลายเพราะว่า ด้วยความสุดจิตถูกต้องเป็นธรรมแต่ถ้าว่าเราไปเบียดไปบังไปคดไปโกงเขาเมาถึงไม่กี่บาทก็ตามก็จัดว่าเป็นความโลภพ่อหาอไปเบียดบังเขาไปโลภเขาเไปเอามาแสวงหาในทางที่ไม่ถูกต้อง อ, อันนี้แป็ว่าในหลักของพุทธศาสนาจะมาจัดว่าเป็นความโลภแต่ถ้าว่า หาในทางที่ถูกต้องแล้วจะได้มากขนาดไหนท่านไม่จัดว่าเป็นความโลภได้มาโดยเป็นธรรมโดยสุจริตธรรมด้วยความหมัน่นด้วยความขยันของเราให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ที่พระองค์ท่านบอกว่ า, าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหลวงพอว่อลงจุดนี้ถ้าว่าเราขี้เกียจหาไม่รู้จักเก็บใช้เกิดฟุ่มเฟือยไม่รู้จัก ประมาณตนเองไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราว่าเราเงินเดือนเท่าไหร่เดือนเนี้เงินเดือนหนึ่งหมืนบาทแกจิ้มตัวเลขไว้ิเอาสาสิบเอ็ดวันหารเข้าไปถูกวันละเท่าไหร่ตกวันละเท่าไหร่วันหนึ่งเราใช้เท่าไหร่ค่าน้ํามันรถเท่าไหร่ค่าโทรศัพท์เท่าไหร่ ค่าอาหารการบริโภคเท่าไหร่ค่าลูกไปโรงเรียนเท่าไหร่แต่ถึงยังไงก็ต้องให้เหลือเอาไว้ในวันนั้นอันนั้นแปลว่าพอเพียง่ะถ้าใช้เกินประมาณกว่านั้นไปแปลว่าไม่พอเพียงไอ้จํานวนที่เกินเกินนั่นแหละเงินที่เราใช้เกินนั่นแหะจุดนั้นแหละที่จะเป็นพิษเป็นภยัยและจะเป็นพอกพูนขึ้นมาจะทําให้ตัวของเราครอบครัวของเราเดือดร้อนต่อไปภายภาคหนะ้าแต่ถ้าว่าเรา ใช้ให้ต่ำกว่าอจํานวนที่เหลือให้เก็บเอาไว้เก็บไว้วันละร้อยสองร้อยหรือว่าบางวันเราไม่ได้ใช้แล้วก็เก็บเอาไว้พักเอาไว้อจํานวนที่เก็บนั้นเราจะไปถือว่าเรามีออันนี้จะสําคัญนะอถ้าเก็บเอาไว้แล้วกันั้นล่ะไปมองอยู่อย่างนั้น่ะจ้องมองอยู่อย่างนั้นอีกสักวันนึงก็ดึงทะลั์ออกมาอีกหมดอีกที่เราผักเข้าไปนะั้นอย่าไปถือว่าเรามีถือว่าเรา ทิ้งไว้แล้ทิ้งละเงินก้อนนั้นเพราะว่าเราจะต้องใช้ต่อไปภายภาคหน้าในครอบครัวของเราพ่อแม่ลูกถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะต้องได้ใช้เงินที่เราทิ้งไว้นั่นแหละลูกเมียครอบครัวงเรามีอุปสรรคยังไงเราก็จะต้องไในใช้เงินก้อนนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงเราก็ไม่ใช้ให้เก็บไว้ก่อนอันนั้นคือเงินจําเป็นประกันครอบครัวของเราอันนี้ถ้าว่ารู้จักหานะจัดการบริหารเนี่ยเรียนบริหารจัดการ อย่างที่หลวงพ่อพูดน่นะครอบครัวไหนก็คงจะพอเป็นพอไปอไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเอาาพวกเราไม่รู้จักหาไม่รู้จักเก็บอย่างที่ว่านะเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนต่อไปในหลวงพ่อจะให้พอในสเตอร์รับพรเนอ